สามจุดสามถ้าประคองใจเอาไว้จะไม่เห็นไตรลักษณ์เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับเขาเราแค่คอยดูเขาเขาจะทำงานเองทั้งวันเปลี่ยนแปลงทั้งวันแสดงไตรลักษณ์ทั้งวันแต่ถ้าเราไปประคองเขาจะไม่แสดงไตรลักษณ์ใจมันจะนิ่งนิ่งเพราะเราบังคับเขาถ้าใจฟุ้งซ่านก็ให้รู้ทันไปใจมันจะฟุ้งซ่านก็ช่วยไม่ได้ตรงที่รู้ว่าฟุ้งซ่านตรงนี้ดีที่สุดแล้ว ตรงนี้รู้ความจริงเมื่อกี้ฟุ้งซ่านถัดจากนั้นใจเราจะฟุ้งซ่านอีกพอใจเรากําลังฟุ้งซ่านเราเลยไปประคองเอาไว้มันเกิดการคำกรรมอันใหม่คือการประคองเอาไว้อันนี้หลงอีกครั้งหนึ่งหลงรอบใหม่แล้วมันเกิดจากความอยากดีความอยากก็คือตันหาการประคองก็คือพบอันหนึ่งตันหาเป็นผู้สร้างพบทาให้ใจเรามีความทุกข์ใจจะทืๆไม่แช่มชื่นไม่เบิกบาน ทีนี้ถ้าใจประคองให้รู้ว่าประคองแล้วออกมากระทบอารมณ์ใหม่ให้ตาหูจมูกลิ้นมากระทบอารมณ์มันยินดียินร้ายขึ้นมาเราคอยรู้เอาดีกว่าไปประคองเฉยมีฉะนั้นเมื่อตามองเห็นใจเราก็เฉยคนมาชมเราคนมาดา่าเราก็เฉยมันเฉยหมดไม่ดีไม่มีไตรลักษให้ลืมเรื่องปฏิบัติเสียมันก็จะเลิกประคองเอง อันนี้หมายถึงคนที่ยังประคองไม่มากนะถ้าประคองมากๆถึงหยุดปฏิบัติก็ยังประคองอยู่อันนั้นแก้ยาก